ฟังท่ำฟังมาเรื่อยๆฟังแป่เพียดบุฟังท่ำชื่อวันตังแล้วนั่งไปทําไปเราเพื่อปฏิบัติพอฟังท่มตังเพตั้งังแล้วแล้วไปฟังเทียดแต่แต่มีไอ้นีสงิดออกมีหน่อยพอความสิแต่อันนี้สงมากในทาง หลักของบุญที่บราไว้บุญจีเยาวะชุศิตมันเสรีธรรมะสวรรค์ไมคือการสั้างถา้ำเป็นบุญเป็นกุศลอันนึง่งศาสนาหลักของการแสดงถ้ำธรรมชาติชนาไม่ก็เป็นบุญเป็นกุศลปัตตาโนะชนาไม่อนุโมทนาบุญกุศลคุณงามความดี องอนุโมท น, นาโบอิศขาพเพลนเ้าก็เป็นบุญให้ประกานุโมท น, นาไมนน่นุโมท น, นาเ่อนบุญสิตก็อิษฉาให้แล้วก็บอกให้ยว้จิตทำบุญย่างหลังย่างนี่เกิดบุญเกิดกุศลเดือนมันมีหลายจิตหลายทางจิตเกิดกินได้มีเพือบุญใยจญวรวัตถุ่ า, านุไมา่บุญสำเร็จเดี๋ยวการให้ทาน ศีมไม่บุญสำเร็จโดยการรักษาศีลภาวนาไม่บุญสาเร็จโดยการภาวนาบุญมันเกิดขึ้นหลายัางไปใจนาไม่บุญสำเร็ดโดยการค้นผัวเสือค้นผัวเขาทำบุญตัดตาดมดทางนาไม่อย่างที่อธิบายมามันจะร้ายข้อเป็นทิฟข้อเป็นข้อที่ทิฟสูงต่ำ เพืความเห็นให้ตรงให้ถูกต้องบุญิริยาวัตถุจิตที่เป็นกาวไอในกำรับกำล่าบุมันเกิดจากการการทส่วนในท่านจะถึงผล้ายท่านในพรสูตรนี่าววีไนนนี่ชตะลมัดเป็นกาวไอเพื่อค้ันบุตรีนี่อุปนิสัยสะสมเอาไว้ นั่งปานั่งวัดถังงา่นั่งมาลาคันทั้งดินเละปานั่งสเสยวาใสถังเสยว่าใส่ถังใส่ขีเยยข้เป่งย่งทานวัตถุอินทรัย์ะทัตว์ทานซีบยางในพืชสูตรอันนั่งที่ท่านเข่าปานั่งชื่อท่านหน่าวัดถังท่านผางานนั่งท่านเยื่อย่างทานะมาล่า ท่านดอกไม้ท่านทาั้งท่านของหอมอิเล่ป้นั่งท่านของดุบไหลรุบทา่าย่งางขมิ้นตะกานาไม่มีล่นสมั ย, ยมีบ่มีดอกอิเป้านั่งใจยาท่านจีนอนว่าสังกรท่านจียูอาวัตติที่โตย่างท่านดอกไม้ ท่านเราใหม่ว่าท่านถุดเทียนท่านน้ำมันเป็นเสียงกระจีดถือเทียนอ่ะเส่ยงนั่นแสงสว่างไอ้สงมันก็ก้าวไว้ของการให้ของบุคคลนั่งฟานั่งจัดทั้งหลายเสียมากในโลกอันนี้แต่ตรงนี้อาหารเป็นเสียงยู่ส่วนกินพระพิสูจสามไม่แ่นแต่ขอท่านบิณฑบาต่ิสเน่ อยู่นศาสนาใดก็เพาะอาศัยอย่าย่อมท้าบ้างผู้มีศรัทธาให้ทา่านขันหากเมืกก่อมีผู้ใดหัวการนับชาติพระเพิ่งจะอยูาาว่ว่าได้ลาพระมันลายยังไงก็หมาคิตหมดเข้าให้ม่วยไว้เพให้กินใหท่านอ่อนหลอดอยู่ว่าได้เพราะเหตุใดเพราะชีวิตของคนนี้ น, นาคนอืน่นคนอื่นเขาให้เขาให้หน้ำเป็นทา่านเป็นจ้าอยู่ได้เป็น จนมีกำลังพวกศึกษาเราเรียนแต่สันบไดิจิณโธจิน่างแตว่านีใจสิเรียนได้ผู้ป่วยพิปฏิบัติได้นยังกรมภาวนาขันอดอยากยากเส้นเขาขาดแรงจังขาดหมอว่ามีอนไดอยู่ในท้องในใส่แต่ว่าีกกำลังสิปฏิบัติภาวนาเพื่อจะว่าหายเข่านีอานิสงส์หายหน้ามีอานิสงส์อันนั่งฝานั่ง เขานามเป็นอย่างสำคัญของสัตว์ทั่วไปมันจะว่าอันาโดไพรโดโติผู้หข่าหหนามที่อหากำลังคนที่มีกำลังยูได้แตพออาศัยเขาอาศัยนามเป็นเื่องรอเลี้ยงหลางกายขันหมมีเข่ามีนามหลางกายก็เหงแหงบมมีกำลังสามาเีนมีชีวิตดูได้แต่ทอันใดเป็นพราะว่าอยากได้กินหี้ยห้อย นอกจากนั้นห้าสิว่าให้ชียิดเป็นท่านก็ได้เพราะคนสิยูได้ก็เพอะอาศัยกันอยากการกินแทนว่าอยากนีอยากนี่กินถึงตายแงะถังให้พาพอนตอนสบายเป็นทานก็เป็นเทนวะวัดถโดโฮติวันนาโดที่พูได้อยากเสืออยากง่ามก็ให้ ผ่าให้พรเป็นทา่พาพอผ่าพ้อหนือนกันนงโฮมเขาไปแห้วมันเฉอมันง่ามหนาเบิ่งหนาเง้คนขี่ไล่ขี่เละกันนึงของเสืเ่อยง า, งามกับพ่อเบิ่งยังี่ล่ขี่เละไี่ยงบ่เนง่าบ่เฉื่อยบ่ง า, ายยังบ่งบบงมีถ่านมีแท้ซ้ามันกดเบิ่งบ่ได้มันขี่ไยายลงไปกันมันเสื่อยง่า ม, ามู่แล้วเอา แจ้งประดับประดาของเฉลีของงามมาประดับเขาอีกมันจะงามตึ้นอีกภาษาโบราณ่นจะว่าใส่งามพอขนขนงามพอแจ้งันโบนีขนเหลาไกลมนกันจอกต้อนยังท่นหล่ะโป็ตาเบิงขนหลนนยื่นถุกถุกถยบบมีบนเบิงอรรถขันขนมันหลายมันจะไปตาเบิงงามไก่ข้นขันประดับประดาต๊ะแฝงมนกันเพราเบิงได้พราดูได้บสีดีสีเลหลาย เป็นใจว่าหายผ่าพรพรสบายเป็นท่านเป็นหายความง่ามเป็นท่านหาวันณะเป็นท่านวุติวันณะเป็นท่านจงการความสวยความง่ามให้พบหนาจาตหนาท่านไปไงหายจิงเรานี่เป็นท่านเป็นบินเป็นกูสนแก้ผู้รับและเป็นบุญเป็นกูสนเจ้ผู้หาได้จึงได้เดบุญ บางผู้บางคนก็บโมหิจักยังบ่นว่าได้เช่ไใดให้ไปเช่นใดบทาน้นจะได้ให้หล่าผู้รัก็ได้รักจะดีใจเพงเ้มือ้เขาักเขาก็ม้ยไปน่มจักบุญให้หล่านยได้เป็นเหนือเป็นต๋เป็นวัตถุมากมันก็ยากด้วเน่ะของมจักวัดบุญคืออันใดเมเคยนี่มีท่านทางเก้าไคนมจักบุญ มีพระกมฐานเนี่ยถ้ากมฐานปกติเป็นรักษาพวีนัยเพิ่นบเคยจับต่องเงินท่องไปสถฐานที่ได้สันโบนี่เด็กนี่ว่าญากษกรคิดตามก็จับไปบ่ได้ขีไปบ่ได้สันทิไปนั่กระทิพีนของเพิ่นสันทิพีนของเพิ่นเพื่อโบสะดวกสบายปะิบัิเพื่อสมาชิปัญญามันบอกเก่าหนัเพิ่นจัรักษาบ จับบอตอ้องอนี่เด็กนี่ระยะสะสะกอ้อนติดตามไปนี่คนให้คนสวายเพคนจะเอาไปเถอะ ใ, ใส่เป็นชารดชาเรือชายุคชายาถ้าไม่ฉีดเทียนไขให้จาเต็นาา ม, มาเป็นชีพไปได้กรรมาฐานสมัยก้อนก็กรรมฐานสมัยนี้มันคิดกันกรรมฐานสมัยก้อนเพิ่นเดินที่หลวงพรมเดชเดินทําน่องนี่ เพิ่อบ่ได้ขินรถขนเรือ่ได้ไปหัน่นไปหนีน้ำถนนห้นทางบ้านเมืองการคมนาคามมันก็นยังบ้านสะดวกเพื่อสมัยนี้เพื่นยางฟ้าองั้นอ่ะบันใดหมอสมวันไดนไดีดเพื่นกับยูพักเป็นเดือนสองเดือนถึงกับนี้เด็กกั น, นี้ไปวันไม่ยืดเยือไปวันไดว่เป็นปตาอยู่ตาเศร้าเพื่อนกับูวนกู๋่ว ข, ข้าว็ก น, นี้ไป นี่คือไปภาว น, นาไปละกีเลตไปทําความเที่ยนมองลงไปพัฒ น, นาจอนมองลงไปเทียวหล่นดูสถานขี่บ้านเมืองเองลงไปดูจิดดูใจของเพลินไปแก่ไปไข้ไปฝ า, ากไปเทียนนททยยเ่ยนไปภาวนาําระภายในเหมือเดินไปเดินไปไปหัวแม่น้ำไงบุญวันที่ไปเห็นแล้วห่ะ แต่ผ้ามันก็ดมี่หัวมันโมนี่ไปขวมบันดขวมบันเรา ไ, ไปเรามาไปเห็นทาทาอย่างนี้คนรักจ้างเอาคอนขามผ้ามาีเหี้ยอยู่ตาชีตาสาเราบกเคยไหวผ้าไหวเจ้าบุกเคยเขวัดเขว่าบุกจักเรื่องอันใดเรื่องทั้งศาสนาผ้าคำนี้พระ คือพระธรรมถานบมมีเง mm ิน hmm. มีท่องเสียหายั yeah anyway ้นใจหอดถามเช่นใดพอออกเสียอาอจะมาคว่ำน้าได้บ๊อสเราอาจจะมาบมมีเงินมีท่องเอ้ยไอ้ท่นจะมาเป็นพระกันอยากเดบินมันเพราได้ยีดอกกันอยากได้เงินไดท่องอาจจะมาบมมีหาไอ้ท่นองีตาหน่แล้วก็หอดผมมีเงินหายเอาบุญเก่ายี่ดอกคนหน่อยไอ่นบุเคย ได้จ e เกียบ <that> ุญอยนี้ยิ่งจเขาวาไปเอาบุญไปเอาบุญปลุกผมเลยเล็ว่ามีโอกาสยิ่งร่าเสียโซไปวัดไปว่าไปเอาบุญเอากุศลน้ำเพลนจะเกียอยูเผาเฮียเอาคนขามซ่ากินซี่แหละไอ้วัมีโอกาสจะไปเอาบุญน้าเพลนแล้วกันเนีคู่มากคดีใจร้าแล่ะอันนี้คู่ที่ให้บุญแล้วกันเขาวางสั่นเพื่จะลงเฮียแล้วหรเพรสเอาบุญ เอาบาทเอากดเอายางลงเฮี้ยแหละควมถึงเฮี้ยแหละเขาพ้าสวมไว้ไวหอดฟังมันข้างหนาพันสิไปละมันก็บอกเออให้พักกันมีความคุดความเกริ่นเด้อสะสมท้ายรวยอยู่เย็นเป็นชุกจะมาสิไปแล้ะหันหัวไม่ของข้าเจ้าบกเคลื่อยเนี่ยคนมุ่งหัจักบุญสิไปจังไหนอะเหมันฮะสิลงเฮี้ยว่าสิ เอาบุญให้กระแทมาชงเหลือก็คือตายรดแล้วสิของเข้าใจบูญจักบุญไงจักเสนีวากันเลยแล้วห่วยพนพวกนี้มันบ่เคยอินีตัวรอย่างคุณเชื่อจังไรน้อสิฉนก็เลอธิบายให้ฟังบุญมันบ่เป็นสั้นหรอพออกว่าบุญนั่นคือความสุขความสบายเฮ็ดอันใดกันะดวกค่าสินค้ารวยอยู่ ย่นจนซุกหลบไข้ไข้เจ็บบวบีบบวบเบียนได้เกลเลี้ยเกือน่งผู้เอือนบุญกุศลกับขุ่มข้องให้มีความสุกกายซุกใจบุญคือเรื่องของนำมาทำคือความซุกทางใจมันเป็นวัตถุคือจรงอือนดอกวะเหรอห้ากระหายอะไรด้วยชิ้นให้พั่นนั่นแหะคือบุญนั่นยกท่แตัวนะยกคู่วว่าทีให้เราต้องให้ แล้วทก็พาพวกมิส <t arten> ิน <sozial>? <t arken> ี <t <arten> <t <cause mum> ่ถ้ท่อนตัวท่านแจ้นิวาจังไหแล้วเขาขูกมัดเขาคนเหมืนนี้ปัญญาเนี่ยโห่ยังจังไหน่นแ้วขวักคุวกขี่ฮะขวักในยามในถงกับคนบนี่วกไปพวกมากจะได้พวกเขาดังขนาดจีดังก็นหนอยๆออกมาเอาท่านมาเนี่ยขวักมจัดบุญขวัก็ยืงินบุญให้วันเ้าให้หน่ยเอาของดีมันแคน่อยเห็ตัว ก็จะไ้เสิักษาได้ก็แล้วแต่ทีนีปัญญาแล้วเขาให้เราเถอะสิโอ้ยเขาเคใส่ันจริงๆเพราเสียนาเขาทุกศานข้อก่อนสีดำมันก็ะเบนไงไหมได้ไหนี่กินได้บ่ขึ้นหน่อยนไปชี้แยหน้าเห็นเด็กน่อยแยกจีนหมูบอกเบียกินก็ได้เยอะแต่คนนั้นจะได้ยึดแงเินจนเห็นแล้วแต่สีาสาิสดงมายม่เนืเสียของดีมันก็เชือมตัวสิจะมากี่ไปหลอว่าเ่านี้ยออดหลอด ไปสับคูบานั่นแหละคนโมโหจักบุญเป็นหายซึมหาทํามีความเย็นจิตเย็นใจมีความทุกขความสบายว่าเด็กเสือเือเสือหนุนคนอื่นเราละเลึกขืนการได้แราได้แล้ามี่อำนาจบาตรนะได็กเสือเือะคนอื่นไลยทาบุญซึมท่ำนอกจากเย็นจิตเย็นใจใจแต่สบายเกิดมาบ่อาภัพอาบัตใจนะอย่างนี้ แติปัญญาเดียวีมาละนี่พราะจใจเลยวยกนอื้อได้ดังหตท่านทำการสืได้และแท้ีฟังเทฟังถ้เป็นบุญเป็นสืบเทั้งนั้นคือมีจิตใจนะถึงการกระทําต้องเห่าถี่ถ้ำใ่ชัดถ้ต้องเสียบฟ้าอย่างใสจะขันบุญชักบุญเลยเชงเอาบุญน้ำพ่น ฟูงโงมก็เลเอาอยังไห้แล้วเอาท่านาไห้่าเชือดตมานอ่างนี้เพาะมันสลาดจบเสียพวกฝุ่นพวกผีทำให้วกด้กสีดังดังแล้วฟันนน่อยกลกลอมอรอยวะยืนไห้มันช่เด้งบออกได้ใช่ไหมเอี่ยงแล้ะสีดังนันบกวสีหูจักว่าเป็นอันนั้นอันนี้ขี้โม่เหีียวเนี่ยใคร่ากันชินเห็นแล้วล่ะข้อมูอจักบุญนันเจ่งสั้นล่ะห้องหูจักบุญ มาวัดมาว่าจำศีลเทวนาหิยท่านก่าบ่ายตั้งเศษตั้งช่ำไหว้พระสวดมนต์เป็นบุญจนกุศลทั้งนั้น่ากเราหลึกเหนกใดคนส่วนใหญ่จะนวนพันพันหมื่นๆมเขาก่ไเด้ขสมาวัดมาว่าไหว้พระไหว้เจ้าบอเลยเขาจักเชี่ยจักที่จะผ่อนนี้บางคนหรือ มีเจ้าท่าอยากมากส่ไปใส่มาเขาปวยเขาไข่เขาิตธุระนักแห่งเขาก็มาว่าได้นีห้องมันโกดีเขามาวัดมาว่าได้มาไหว้พระไหว้เจ้าก็พาําเน่นมาไหนยินไหนสรงธรรมะธรรมโมสิครูบาอาจารย์นั่มาเนี่ยมาสอนเขาระ ล, ลึกได้เช็ยนได้ทมได้เขาก็เย็นใจสบายใจ เพือบุญคือความสุขมันบ่เป็นทุกข์มันบ่เดือดร้อนผู้ที่นี่บุญอยู่ไม่ตัวแล้วมันสุขมันส บ, บายได้อันใดกันได้ของดีนี่อันใดแต่มีของดีเป็นใจว่าพราเป็นบุญข้อนอกคนว่าขันใดเงินไดท่องใดซอยใดของยึกดีมากเป็นถืว่าเป็นบุญเป็นกุศลกอนที่ได้ยากนะขันไดของตัวของเสียมาเอ้ย บาปกรรมมันเห็นว่ามันจัสั่นบุญจะเป็นเร่างปรารถนาของคนทั่วไปไถ่ขยักได้ผู้เรีกเรกน่อยกาบเป็ยนไหวเป็ยนโนบเป็นเอาไหว้เพื่อนเอาบุญบางน่อยนี่นอยเนว่าเรียกยงกับคุ้มให้เขากาบเขาไหวเพาอยากให้เขาได้บุญถ้าเขามีบุญรอกเขามีความคุขเอาพูงง่า่กับแงหาบุญ นีบุญเล่านีความสุกใจมันซุกใจมันสบายใจมันเย็นเพราะบุญคุ้มครองรักษาบุญพญาวาสิแต่ว่าเต็มแต่ว่าความอุกเพื่อเต็มใจได้จริงได้จะได้จริงสิเข้าพ่อใจเข้าป่าถนาเต็มใจในจรงสิตัวได้เต็มใจในจร่งสิตัวมี่นะบุญ แต่ว่าเป็นโบอบอกบอบโพ้องบุญแต่ว่าความสุขนี่ความสุขทั้งกายก็นี่ความสุขทั้งใจก็นี่ความสุขใช้กัป่าถนาใช้ก็อยากได้เพราะบุญมันเป็นของดี <c oughs> นีคุณข่ามาอย่างนั้น้องชุวันมัก็แดงหาบุญหาถูกหาเป็นหาสลาดมันก็ได้ความจิงบุญมันมีอยู่ คนตลาดหาชื่อกันกับเงินกับท่องนี่แหละคนอดอยากยากจนบนว่าวมีเขาของเ ง, งินท่องสิใส่แต่ันหลายอยู่จนวมนี้าันสินอนเฮี่ยงสิยูทุกหน่ายลำบากกินจังๆขาดเรี่งจั ง, าารร ง, จงขาดหมอมี่คนประเภทนี้นจะดีคนหล่าคนรวยกับันนี้ทัางๆ ท, ที่เกิดมาในโลกอันเดียวกันมันตลาดต้างกัน มันสันมันเชี่องตางกันมันคิดมันอ่านตางกั น, ม, น, ม, น, น, กนมันจะหนี้ตางกันสมบูุญตางกันีคนเท่ากับท่า น, น้องเดียวกันคนบวชลาบมันจะหาบวชได้เน้นสีเฝาอยู่ในวัดได้ว่าอยู่นั่งผ่านั่งเจ้าก็บอกหัจักบุญทั้งช่างสีงเป็นเอาบุญให้ หิให้พอให้ความสุขความเจริญมันจะบ่ฮุจักบุญเนาเพิ่นจ๋สัอยู่คือตาสีตาสาเียพากลัน้ำอย่างเปล่ามาบางทีได้ื่อดังบุญมันจะาบุญนี่เทากับใหญ่ันเป็นทับนองเนี่ยหูจักบุญเอาไว้บุญคือความสุขกายบุญคือความสุขใจบุญคือได้อันใดมากสมหวังเนาบุญเอาเป็นยกน มีความสุขความสบายเขาตายไปแต่สมบังอกไปเกิดเป็นนงฝ่าเทวดาอยากไปเกิดเป็นอิ้เป็นพ้มก็ไปได้เพราะบุญกุศลทรงให้เาจากันแสวงหาหายสติหาเดี๋ัญญาหาเดีความสลาดคนาสลัดเท่านั้นแหะจิได้เยรียคนโง่จิตี้สมบัติคนโง่รักษาสมบัติบ่ได้ คนบาปคนบ่ก็รักษาสมบัติบ่ได้เข้าให้ท่ากันคิดกันเนึกททำความสลสียละแม่คิดแม่ใจค้องตัวสิจังไนมันจังสิดได้บุญกุบสนมาวัดมาว่าจำสีนภาว น, น่าเดินจงกรมทำความเที่ยนรักษาจิตรักษาใจข้องตัวบ่ไหววกคิดคิดของกับอารมณ์ชัญ้นญาค่ายนอกมือหนีมาส ง, งบ หยิบสงบใจการงานบ้าน่องเข้าวะเลยหอบหิวหาบหามาทําน้าเรื่องโลกเรื่องสองสารที่เขาเค ย, ยคิดเคยอ่านเคยสืบเคยคุ้ยเข้ากับสัสงบสี่แมาเอาดินเอ า, านนะออกุศลที่แกหน้าสอนตนและบริกรรมพุทโอ้พุทธโทอ้โยห์ยงงหันใจมันสังบเห็นไหมใจมันเย็นใจมันลงมันร่วมมันเห็นบินเห็นกุศล ไปจัการเปียนในตนมันบอกเป็นสั่นคบว่เป็นยินเป็นสืบนให้ไาอยู่วัดตั้งแจกายใจมันยู่บ้านลูกเปนจเป็นยังดร้านผู้หญิจเป้นยังไดเขาสิรักษาเขาฟ้องเงินท่องไว้เหวอหรือฮะเขาสิทำการทางานไหวเหคิดไปทุกอย่างคิดหอดตั้งแจบ้านใจเฮียนแจ้หัวแจ้สวนจ้จึงแจ้ของ ปุยแต่งใจเรื่องว่งงเป็นชาละประโยชน์ลูกไข่ยังไดลูกเคยยังไดเอามาเ ย, ยนลนาไนกันอยู่ในวัดแทนที่จะมาปฏิบัติภาวนาดูจิตดูใจทําละกิเลสตัณหาทำล ะ, ละความเสือความเสียความเศร้าความหมองมันบริสจังสัน่นมันบรสิสจังสั่นเชียเช่ยเขาม่าจะแก้ไขบุญมันจะบวได้หลายแล้วถอดคือบวได้สั่าาสมแต่มันคิบจิตไปหลายเป็นยังเล่าวะนี่เที่ยวอยู่กันอยู่สองคน ในกันขึ้นหันหมอนึงไปหาหมอนึงหมอนึงกัไปหาหมอนึงหมอนึงเหมือนส่วนกันขึ้นอื่นๆจนเป็นวันชาวันเจ้าเินสีเทวดาถ้ำในวัดเขาไปฟังเสวดาฟังถ้ำน้องกันเถอะเนาะหมอนืงอื่นน้างกันเชี่ยวพูนึงส้วนก็ได้ตกลงเออน้ากันดีอ่ะเชี่ยวพูนึงเหือไปหาเชี่ยวพูนึงข้าหนึ่งสิ่งอีกอันอื่นข้ากันไปเกป่าเถอะเนาะป่าน้องมัน เพราะ่าไลหลายดิไปเจตาน้ำกันอย่างอื่นมาหนึ่งกะลาค่าไิไปเงนมีเจยมากมาพบหน้ากันเจียวสองคนิ่วยเซนิดกันห่วยเจียวไปทั้งคําเหมือนเยอะนี่นเกตอันนั้นหนีได้หอ่วยเฮ้ยดีต้องลงก็เจียวผู้นั้นเลยว่าทีไปอาปาตัวหวยจะใสไหนเป็นห้าสิบยี่สิบหมื่พวกไปหะจะเลยรักษาคจาก เ่หายข้ามหมันช่างหญ้าครับมูไหวว่าสิ yes <Entonces> ไปสร้างถ้ก็ไปฟร้งถ้ำค <Built> ูรักาสัดตาว่าสิไปหาปากไปหาปานมูอค่ไปสร้าง้ำมนึ่งสร้งไปฟั้างมาก็ว่าได้เกิดความคิดความนึกอะไดในบุญในกุศลวะเท่าเหนอยักสาสีนรักสาถ้ำได้สรงเกิดสร้างถ้ำเป็นบุญเป็นกุศลในใจันบอกิดจะไปหอด ว่าถอดว่ากบูจะคิดโอ้ยปานี่บังนันมันไปหาป่ามันเสดขนาดทนชื่อกีลำชื่อรวยกูย่างมานนั่ตั้งเศษตั้งช่าเจ็บแขงเจ็บขาปวดหลัง e ปวดแอวปวดเอี้ยงเหมือนว่าถ้านันกูไปหาฟูหาป่าป่านี่กูเสดหลายเลยเนาะคิดยุ่งสั่นุ่งไปยังจะยุ่งสั่นเดียวคิดเอาคิดเอาใจใส่นทอยัเขั้มสอนของมเพลนนี่ต่จะคิด ออกไปข่าเหนียวเดือยปลาอยู่ทางนอกูบ่ดคิดเขามาทางในเราเพิ่นสอนอันใดบ่ขาใจในข้ามสอนด้วยเขากันกันกับเปลวปีเตหุก้วมันโมงจักเหลงลาอันใดมันโมวนบยิ้นยังหายงานฟังกับฟังอยู่ซื่อบ่เสียมันยากจะคิดใจกัคิดมันพุ่งออกไปขาเหนืยเดือยปลาคนหนึ่งเขีด้ยสรย ไอ้คนไปกเห็นะกัอีกล่ะไปหาปลาหาบันไดกับ่อไรหาบันไดกับบ่เห็นหาบันไดกับบ่อนี่แ่ติดจิตเหนือจิตตี้ยวม่ปลาตัวเดียวกับบ่จิตมือเลยในนี่ฮะยิฐฮะล่าฮะเน้อนือจิตโอ้ยปูหิชักเป็นเจไหนกันสังความเชียวเีความเชียวไปนี่เปนิตเวทอันนั้นเห็ฟังเป็ิเวทอันนี้ให้ฟังบ่ได้ไหรองนาำลองหอยู่ ทุกอยู่สบายกายใจในยิ่งในฟังชามาชาโมคิดใจกันสิยิบย่องฟ้องใสอันนี้ยังสายก็ทุกใจแกทุกบวดาอียังกูนี่แกลําบากลํำข้านนี่แกสร้างความเจียวซะแกไขเดี๋ยวไปปัดไปว่ากันนี่สิเช่นตีเทิอันนั้นเทศ อ, อ, อันนี้เห่ฟังสิเขาคิดเขาใจไปไลเจีงายงไล่ย่างมีความคิดของภูอยู่วัดออกไปข้างนอกความคิดของภูอยนอนอก เขามาในวัดความจิตนวัญางสองนี่เมื่อตายไปตามตำนานาเป็นก้าวไห ว, ว่าคนที่เข้าไปวัดตกนรกลกคนขี่ไปทํามาหาจินจ้าบริษัาเหนือเอบื้ป้าอันใดปร่อยใจใครคิดในอัดในถ้าได้ไปสวรรค์มาสักเนวานี่เฮาอยากเห็นมันเป็นทํานองนั่นเขาวัดกันเห็นไหเขาทั้งหมดทั้งกายทั้งใจ วัดเบงมันมันสูงมันต่ำมันดำมันขาวอย่างใดใจของเฮาถิมนี่สิมนะจำถิมเทวนากระถินก่อนจะจังใดความสงบสงัดทางใจความเย็อเย็นทางใจตรวจตาสิณิตใจนาดูแลรักษาเจ้าของเองจึงใดถีมมันซัวมันเสียคอยคิดคอยฝุ่นคอยฝูดค่ยกล้ยก็ให้ลังับดับมันไหว่าสันมันบริสลาด โบดีให้เื่อยจังไดแก่เจนย์จังสั้นมันจะเลยโบมีอันใดคิดแต่แก้จ้างกันอยู่วัดกับคนพูเก่าอยู่บ้านกับคนพูเก่าเคยผูกเคยื่อยเหยียดค่อยทอันใดแต่เหยีอยู่เพื่อเก่าคิดอยู่เพื่อเก่ามันจะเรื่ยว่เกิดสาระประโยชน์ให้ใส่เข้าดื่จั๊กวัดปุงกายใจของเข้าให้มันยิบมันดีด้วยวสติเด้วยปัญญา นั่นก็ค่อยดีขึ้นคือกันกับเรียนหนังสือนี่ะทองซึมมืออ่านซึมมือมันก็จําได้นี่บวทองบวอ่านเลยแดดจนเจ้าําพี่อยู่ทะเลทะเลอยู่ก็เหี้ยนแต่จะคู่คนบอกอันไหนคนก้อนอันดบนวอาใจใส่เหี้ยอยู่ยังฝีกับอ่านก็ไกลก็ตาบ่ออกเพราะบวเดเอาใจใส่นี่เข้าเขาวัดเขาว่าจําชินภาวนาแต่ชื่อกันข้าวบว เอาใจใส่บอกทีนี้ที่ใจาแก่ไขสิ่งจี๋ตัวจี๋เสียใจของเฮ้ามันกับ่าหัจักอันได้คิดอันได้ถูกอันได้ดีอันได้สวยแตมันบวหัจักแก่สั่นมันกัถูกถึงกับของปลอมแล้วของปลอมมันแยงหลายสมุนเป็นหลบเป็นสงสารเงินมันกับปลอมท่อมันกับปลอมเข่าปลอมตลางๆมันก็บปลอมพ้าเจ้าพระโสดมันก็ปลอมมันปลอมไปหลาย่มันถูกของปลอมแย่งนัน มันจะใส่บัวได้มันจะเป็นประโยชน์ให้พอห้าวาาบัวสลัดโมหะจักค้องจริงโมหะจักคล้องปลอมมันจะถูกอย่างนั้นแทนที่ผิดไปได้ค้องลิฟคล้องดีไปทําบุญชุนท่านไปวาดไปวาไปกาบไปไหวมันไปกาบค้องขี่หมาไปกาบพระที่โบนีอัดนี่ถ้ำมันเป็นทํานองนั่น <S <S 1> <S 1> หให้องปีนีพิจัยน่ามันหุ่นจักหรือแจ้ง ในคิดในใจดยดยปัญญาของเฮาคนได้คนเดี même, oh, oh, so so ๋ยวาจัดหาทีเป็นเนือหน้าบุญของเฮาเฮากัแสวงเอาเฮาขอมาวัดมาว่ามารักษาขินรักษาธรรมเฮากัรักษาใจของเฮาอีกเกี่ยกความตลาดเกี่ยวกัความหล่อรูเกี่ยความสงบเกี่ยความเยือกเย็นของคิดของใจมือหนังโอ้ก็มือนี้เทสไปขึ้นหนนิดหน่อยนันก็คอยยังคอยตัวขนที่รังับ ไมออกตําหูอ่แล้วกดไปแค่ละเจนเท่านั้นั ìn, âm, i, okay. au, ay, ố, ่นกยังแหล้วยังเทวเป็นแทนเป็นผืนมาเลยนุ่งหรือห่มหอเหนยวหอกกระดูกเทาแ่เจนเดียววันจีเป็นเอียงไห้เดียวพกอียงได้นี่มันหลายเจนตัมบ่อยึกบ่ถอยมื่อก้นี่ไาออกไปเม่ก็ก่ไงแต่ตออกไปมีการสงยึดต่างใจสั่งบุญสงกุศลก็ท่าน้องนั้น ถาการสร้างกันทําโอก า, รเราสเวลาขี้เฮามีลมหายใจเป็นอยู่พ่อไปได้มาได้ผู้คนเจ็บเพคนไข้ผู้คนป่วยคนเจ็บอย่างมากมันก็มาเพได้เท่าไรก็มีไปเพได้ลงเงินลงสั้นก็เพาได้สิไ ป, ไกกไไปเอาเมื่อดใหญเหมือเฮ้ามีกําลังวังซ่าพ่อสิทําำยังได้แต่ทำไปเนาะไดสิเป็นบุญเป็นกุศลแก่เฮ้า อันจะสีเงินฟูสลาดวัดทว่าจำศีลภาวนาะตาดูหูฟังใจคิดอันใดมันคิดกะละเขเวียนไปอันใดมันผิดเกิดสารประโยชน์ให้แะท่ำไปอี่ยในวัดในว่าส่วนใหม่ไปอย่ามันหกมันเหี่ยวันใดพระเจ้าพระสงฆ์พระเยบบได้ยจะเป็นหน้าชีว์ก็เฮาสิเช็ดสิท่ำเพื่อความสะอาด จเกิดความงามจะเป็นขอวัดเป็นบุญเป็นกุศลแก่คนขี่เหตุขี่ถ้ำมันยังเกาไหวในจำรับจำล่าแล้วกันมาสูดออกไปหน่อยบวชได้ไกลหยิ่งยาออกไปถิ่นนอกวัดก็ได้นไปเกิดเป็นเทวบุตรมันเกาไหวทำความสะอาดแก้วัดแก้ว่ามันจะเป็นบุญเป็นกุศลถึงสี่นี้รักเกียนวันนี้รักเกียนย่างไหลกะขวัญสิพี่แก่หน้าไหว อย่างทําส อ, อนของพระพุธทธเจ้าของนาอัาคาคูสลาดแหลมคมตัวไห้เฮาได้คิดได้นึกเฮาทํายิบทำดีเล้บอบ่ได้ยิบได้ดีคนบ่ได้ทาเจ๊เลยมันยิบได้ยิบได้ดีด ม, าาคคมันจะใสคนกินบ่เีความอิ่มน้าซําล้านคนอยู่คือสอิ่มมันจะเป็นไปบ่ได้นการทําบุญทุนทางกัน สางคุณงามความดีกับชื่อ ก, กอารท่านล่ะเขาสร้างไว้เขาบวเดไเป็นเที่วุธทเทวาดาคนเขาอยู่เฉยๆบวชเคยเขาวัดเขาว่าบวเคยให้ท่านยังศีลภาวนะาเขาเสด็จไปเป็นเที่ยวุธทเทวาดาไ ด, ด้โดยอาการอันใดเพราะเขาวบวมีปัดมีศีลมีคุณงามความดีอันใดเขารักษาอยู่บายนี่ยังสีบวไดบวมีบวบีบวเดนมันเถะ คนที่บ่ทำจะได้เ ง, งิงอัพเดเลื้อยไปแล้วขนาดคนจังให้นึกให้คิดทีน้ที่จะน่าสร้างเสียอสร้งางท่ำจำศีลแต่เผื่อสำลระจิตใจของตัวเผื่อคิดหาท่างคือมันจะเป็นสาร ะ, ะประโยชน์โมเมนต์สั่งเผื่อความใช่เรอครอบพิ่ง์โมเมนต์สร้างเผื่อความสนุกแนานเอเกระโหลกโกล่างหุน เหมือนสร้างเพ่งฟังล่ำสร้งเหตุคือสร้างถ้ำสอนสังเหตุฟั้งผลเป็นแสดงอันใดมันคิดถูกั่วดีจะนําไปใส่จิตจิดตามสิ่งที่มันซัวกับดีแจกใช้ส Lux, letters, ิ่งที you, ่มั่นดีก็ดําเพ่นต่อไปนั่นคือคนกุศิสร้างเอาจิตเอาใจใส่สรงเหตุสร้างถคือฟั้งหรือถ้ำตามก้อนนั่นก็คือเนย ไปสู้ยึดหมายปลายทางสี่ตัวไปส่งเนวนี่แต่างใจตำหนิคนอื่นนี่ต่างใจชาวตูเขาวัดเขาว่านีล่าตายไปกว่าฉันไผพาไปสวรรค์แล้วในเด้อเนีนยนั่นมันกายี่ได้บ้างแหงบ้างคนนี่สถานถี่ต่างๆเห็นเขาวัดเขาว่ามาใหญ่มางังมาดูมีนิ้นท่าคนแบบนั้นเท่าสิ ไปถือผ oh, ีทิศากับเขาโบได้เขาเป็นคนไสวัดใส่ว่าไส่ผ้าใส่เจ้าตาดูหูฟังใจคิดไปนี่ได้วันจิตเป็นสารประโยชน์ให้วัดก็เขาคอยจ่ายโบนบกชกแต่กบดากดําสื่อๆเหมือนกันที่เดียวน่ะว่มีสิไดลเอียงน้เพ่นน่ะตายไปเหรอแค่สิถึงฆ่าอาศัยอะไรของเขาไว้สร้างไว้ เอาด้สางไว้ก็ค right. <c weave> uh, on ือบวมี yes. ่คือเือครั่วเข้าใบสางไว้อยากได้เรอีตูแลนเข้าไปก็บวมี่อยากได้เริ้นไขแลนเข้าไปก็บวมี่อยางได้ทาที่เขื่อนใหนแลนเข้าไปก็บวมี่เข้าว่าได้สางไว้ว่ได้ปลูกไว้มันจะเกิดมานจะใสกันเข้าไปปลูกไว้สางไว้ะแลนเข้าไปมันบกคิดหวังดอกอยากได้อียงไหต้นไม้แจ่มันก็พอได้นี่เขาสางไว้เดี๋ยวตายดียใจเองเข้าท่านเขาก็ได้ให้ยีนเขาก็ได้ รักษาภาวนาเข้าก็บเดบัมเพนเข้าสิอดอยากอยากเส้นบนไดลเพราดี๋ยวสังไหวแล้วบุญกุศลที่เข้าสั่งไหวมันก็เป็นของเข้าบ่มันสิเป็นของวัดของว่าเป็นของพระของเจ้าคือเขาเหตุหน้าว่ามันหน้ามันสิเอาเข่าไปขายหน้าเป็นบนเหตุบนถ้ำเท่านั้นคูเห็ดคือําำเน้นเข้าเข้าเป็นเจ้าของเข่าในห้ยในหน้า เวลาปักเวลาดำก็เป็นเฮาไปเจ็ดไปท้ำไปปักไปดำเวลากวาดเวลาเกี้ยวก็เป็นคลองเฮาแกมาใสยุ่งใส่สาก็เป็นคลองเฮากินเข่าปากก็เม็นปากเฮาทองเฮาหายเอาเงินก็เป็นเฮามาเป็นหน้ามันถิ่มาช่วงเอาคุณค่ามีวัดว่าศาสนาพระเจ้าพระสงฆ์ก็ท่า น, น้องเยียวกันมาเป็นเพื่นสิมาแย่งเอาบุญเอากุศลจากบุคคลฟูมาทำบุญชุนท่านแกหายเบิง ให้มันคักทิเจอร์หน้าให้มันขั่วมันแจงสิเป็นบุญเป็นกุศลแจงสิบว่าพิษพลาดอย่างหน้ามันบวชท่วงเอาคุ้นทายียงนําเห่าก็ตามถ้าหน้าบวงงามมันก็ได้ลอยถ้าหน้าง่ามมันก็ได้ร้ายเฮ็ดลงไปสี่ดอกกําไรที่ขาวเฮ็ดนี่ก็ทําน้องเย้ากันเข้าไห้ศึกษาให้ทิเจอร์หน้าอย่าสิเป็นคน บอกิดบนึกเป็นคนงเงาเิเานเาใจหน้าสิเห็นดอกในจิตในใจบันไดเป็นยังไงสิได้ด้วยสิขาดทุนเาสิิเห็นในตัวของเาเาบิบนึกเอาเลยเพลนว่าอันไว่าเปน้เพนเห็นเพนว่าเห็นเพนว่าลัเพวนจักอันไหนเป็นอันไดบ่ใจ ยิงจังแบบกระจายาปืนสูมเขาว่าเ่นดินสินท่านสุดแร่น้นำเขาดลดยักความจริงมันเป็นยังไงวาพี่สูตรเหตุผลในส่นของสนแตบบ่ทำตัวเองเสียหายชีวิตที่ว่านาบั้านหมดไปหมดไปเขามานาั่งดิน้นหายใจออกมันจะเวิรไปหายใจเขามันจะเวิไปมันเวิดไป เลิ่แต่แกีหน้าทีไปหาหน้าที่หาโซโมงฮาวันหาขึ้นหาเดือนหาปีเรื่อยไปแกไปแกไตแกไปสู่กองพื้นกองไฟหลุมฝางศพแต่ถ้าบอรีเลื่องควงควายเอามันสมวิได้บุญกุศลมันบายเหลือยังแต่วันมันใส่ทำแล้วจิตใจอันใดไปใส่ปากใส่ท้องหยิบหาเอา มันเหมือนมากแล้วมันขัวห้าอันใดบ่พอนี่เขาตายแล้วคือกันนั่นแหะขัวอันใดบ่ได้ท่ามาวันใดบ่ได้กินเข่าด้วอีพอีข้อกระโลกโคกโค่บัวซารับกินด้วยอีพอมันจะจิตใจหูจักอีอย่างเดี๋้หามถึงกองไฟมันก็ยังบ่ได้เรื่องไหนเล่าอีอย่างมันเจ็บมันหอนมันอยู่สึกเตียวมันจิไปยังไหนล่ะนี่คนตายก็ทํางนองเดียวกันนั่นแหละร่างกายมันตายเปลียนมันแตกเปลียนใจมันตายบ่เป็ี่ยนบ่เป็ีนอันใดแล้ว มันจิตอยู่ในหันคือกันกับหน่แบบม้วนะมันแจ่มาหหรมันเอาไปไว้ในหันวัดเ่ยห่าของมันก็ดีล่าส่งของมันก็ดียิ่งใยของมันก็ดีเมื่อไปปลกลงไปถูกหนามฝ่าหนามฝนโกลงมาตัแตกเนาะแตกหนักินมากให้องเห็นถมันอยู่ในหันมันพางคบเห็นดอกจยกบได้เป็นห่าแยกบอลได้เป็น ล่ามตนจะเป็นมันได้เป็นใยพอสิไปหาเท่าไ้มันก็บ่เห็นเพราะมันอยู่ในฝักนี